งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เดืผ่านมางานของจิตนี้ต้องในท้ายสติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงคําว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน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 ต้นต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างมันดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภาน จ, จิตใจคือทำความรู้สึกมีเียตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิด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 ในขนาดที่เฉล็จออกสงพนวดเบื้องตน้นพระรัมย์ในเบื้องต้นก็น้ยจะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสต า, าสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบมเพ็นพระองค์เพื่อความรู้แจ้งทางตลอดหรือ่ความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด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 อำ น, นาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือทระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระอรสในขณะที่จะเสด็จออกสมงวดยังต้องฝืนพระไทยหากว่า เสาเด็ดเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสย ญ, ญาต์อยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะไปรู้สรกต่อการทนวดของพระองค์สุดท้าก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใหตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติตู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใ ย, ยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอุภาณาจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นเน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 เแล้วการบำเพ็ญพอต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสล่ะตายสรบสลายสามครั้งนาะอดตกรกยาหารถึงสี่เก้าวันทำไมจะไม่ทุกเพียงอดเก้าวันสีวันก็เป็นกองทุกพอแล้วแต่เพราะอย่างยิง่งเลยว่าตาวันตาเขาเคยอด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 ทุกประเภทที่มีอยู่ภายใา ใ, ใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่เขาจาเป็นต้องผ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบททั้งสี่ทึ่งเป็นไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกทนั้นใครจะไม่มี ความทุกข์ความลําบากมากมายจะไม่รับความประมาณทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกขย่าแสนสาหาัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกาหนดอนาปานสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเนียกว่าเป็นคนลโลกอีกเช่นเดียวกันหรือพระไทยที่ เต็มพเด้วยกิเลสแต่ก่ อ, อนนั้นได้กลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความชนประชาชนก็ย่อมมีความทนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่ทางจติตใจ พะได้ยินจีระศั พ, ศพทิคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยำก็ยิ่งเกิดความสนใจ่มากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกระกอง น, นอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะโลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขที่เลก อ, อาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรนัพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอํานาจแห่งความกดทวงหรือข้อบงังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระไทยของพระพไทธเจา้า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 ธรรมะที่จะนํามาสอนโลกเป็นไปพวกความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความป้าเกลียนให้ลําบากลาบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประธานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆุกคนใครพอฟังแล้วก็จะสําเร็จมรรคผลนิพพานไปเรืๆๆ่อยๆไม่ต้องมาปุกผนธ ร, รมานให้ลําบากลําบนด้วยการเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาทําบุญตทๆทานเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ร่เวลากําลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะเหเหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระถ่ายได้แก่มัชจิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชจิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด บันท่าจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฉิ ม, มาปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นถ้ำกางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฉิ ม, มาปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัจมัจฉิ ม, มาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการขังตนที่ไม่ต้องดําเนินตามหลักนั้นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จําเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลําบากเยังไงก็เช่นเดียวกับเราถากถางทุนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบกุ้งดังขนาดไหนเมื่อเขนทิศของเราทิปปากลงไปแล้วโดยถูกต้อง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 การดาเนินปฏิบัติธราตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงต ร, รัสก็ถือเอาเรื่องจติตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายาน ใ, นใจของเราว่ามีมากน้อยอย่างไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกรรมตาแต่จะให้มันสาเร็จเสร็จสิ้ น, หจจนให้มันออกหมดด้วยการนึกออกอย่างเท่านั้นได้แล้ว าศาสนาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนโลกข้างหน้ามาพระพุทธเจ้าและสาวโบสถทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชชิมาปฏิปาทานีจีรศของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปสาไ ม, าม้ทั้งต้นคนถากคนฟันคน ต, ตักคุนไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง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 ผู้ปฏิบัติเป็นลายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้า น, นิสัยของเรามันหยาบก็สแสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดงไปพิจารณาลายมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลดับนั้นมันก็ไม่ยากพเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลองถางป่าป่าให้มากไม้ลายนี่มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่านาเราจะไป้ทำให้ง่ายเหมือนดังป่าไม้บางๆมันก็เปล่งไปไหนได้มันต้องหนักมือ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 ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนท่านมาทุกคำพีทุกคำภีสอนมาลงทุกที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นกองทุกคืออะไระก็คือกองกายกดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดหรือแลปลว่ากองเนี่ก็กองทุกนั่นเองกาหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตูให้ดี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 ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็เห็นมีพิษมีสมเอสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรตุเข้าเต็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กา ก, ากเมืองคือขันห้าใน แ, แต่ร่างกายอา้าวไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตาย เรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่า น, นี่คือป่าชาของเรานด้แก่ธาตุขันนี้เองอยู่นานจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะเจ้าจะเรียกเป็นบุคลาภิษฐานว่าพยายามมาจุฬามาเอาก็ให้ไปนี่แต่ก า, กากเมืองความจริงพยายามมาจุฬานั้งแต่ว่าอะไร ก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวใช่ไหมถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใด น, นี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นช้ยเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปอมทั้งหลายนั้นได้ถูกทำเลออกแล้วด้วยสติปัญญา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 ต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขีบ่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ ปรมาณอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมือ่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแอกออกไปจากสินน่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิน้นนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าทรรมเสรีหรือธท ร, รมเสรีอิตรรเสรี เป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทําอันตราแก่จิตใจของเราได้นาเมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มุงความสบายความปวดเพื่อมภาร ะ, ะอะไรที่ว่าลําบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลําบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลําบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหาย เป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลาดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลําบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลาบากเฉยๆลาบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี่มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอิจนาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดําเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหุดพ้นจาก สิ่งขัดถ่วงภายใจิตใจแต่เมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านอยู่อิสระมีแต่ความาพูดแบบโลกกมีแต่ความสง่า ง, งามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่ทิกไปแล้วอะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้ว ที่เราชื่อเพียงว่าติดปากพ็พูดได้พาใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านี้พรทำกส็สดออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำาซมทั้งหลายนี่นัชชิ ม, มาทัน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 แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังนถึงที่อันคเสฉท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนน้นไปนน่นข้ามโลก้ามสานก้าวไปนน่นหมุอนเขาไปขึ้นไปพระทิดพระจันทร์ความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลเรื่องแล้วมันก็เป็นความคเสฉ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 หมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมตุติพูดกันก็ไม่ทราบประการสมายไดเลยจึงทําเป็นกลนหมายป้าทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําทางของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูก ควรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจและมีความรู้ความเสลียวฉลาดพอที่จะปกื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตจิงกาเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอดรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลาเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึง่ถา้าอาภัพก็อยู่กับจิต่อประสเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นมันนี่การ ก็ยังทำาพราะเห็สมควรอันนี้รู้สึกเหน่อย